ภิกษุไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและความดูหมิ่นพึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดำรงอยู่อันหนึ่งภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและที่เกลียดชังเสียโดยแท้ฉะนั้นคำว่าความโกรธนี่นะก็คือความอาฆาตความมุ่งร้ายความเป็นผู้ดุร้ายความเพาะวาจาชั่วความไม่แช่มชื่นแห่งจิตความดูหมิ่นอันนี้เรียกว่าความโกรธเรียกว่าความโกรธนะคือไม่แช่มชื่นแห่งจิต ส่วนความดูหมิ่นก็คือบางคนก็ดูหมิ่นโดยชาติโดยโคดโดยตระกูลโดยรูปร่างผิวพรรณศิลปะวิทยาฐานะการศึกษานนเป็นต้นนะเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่นคนอื่นเขาภิกษุไม่พึงรู้อํานาจแห่งความโกรธและความดูหมิ่นนนคือไม่พึงรู้อานาจความโกรธและความดูหมิ่นคือพึงละบรรเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความโกรธและความดูหมิ่นฉะนั้นภิกษุไม่พึงรู้อํานาจความโกรธและความดูหมิ่น คำว่ารากแห่งความโกรธรากแห่งความโกรธคือพึงขุดรากแห่งความโกรธและความดูหมิน่นถามว่าไอรากแห่งความโกรธนะ่าคืออะไรารากแห่งความโกรธก็คืออวิชชาอยโยนิโสมนสิการอัสมิมนานะอหิริกาอโนตปะอุททะจะแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าเป็นรากแห่งความโกรธอวิชชาเนี่ยเป็นรากเป็นทั้ง เกิดร่วมกับความโกรธด้วยเป็นอุปนิสัยให้เกิดความโกรธด้วยอโยนิโสมนสิการอัสมิมาณะเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เกิดความโกรธอย่างเดียวนะส่วนอหฮีริกาอนโนตปะอุททะนี้ก็เกิดด้วยกันก็ได้เป็นอุปนิสัยแห่งความโกรธก็ได้ รากแห่งความดูหมินเป็นไนก็เหมือนกันนะนะอวิชาอโยนิโสมนสิการอัสมิมานะอโนตปะอุทจจะแต่ละอย่างก็เป็นรากแห่งความดูหมินเพราะฉะนั้นพึงขุดรากความโกรธและความดูหมินนั้นดำรงอยู่ความว่าพึงขุดหรือถอนฉุดกระชากละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความโกรธและความดูหมินนั้นเสียดำรงอยู่คาว่า ที่รักเนี่ยนะอารมณ์มันเป็นที่รักภิกษุพึงปราบที่รักและที่เกลียดชังเสียโดยแท้ปราบทั้งสิ่งที่รักด้วยสิ่งที่ชังด้วยแต่พระองค์เน้นก่อนนะปราบที่รักก่อนนะแล้วค่อยปราบที่ชังเลยนะนะคําว่าชื่อว่าเป็นที่รักเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองนะที่รักก็สัตว์อย่างหนึ่งกับสังขารอย่างหนึ่งส่วนสัตว์เป็นที่รักก็ฉะนายอะ สัตว์ในโลกนี้ผู้ปรารถนาะความเจริญปรารถนาะประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาะความสุขปรารถนาะความกเกษมความปลอดโปร่งจากโยคะแก่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรมิตรที่ดามิตรอมาตญาติสาโลหิตผู้สืบสายสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นที่รักนี่นะมันเรียกว่าพึงปราบสิ่งที่เป็นที่รักอย่างนี้ ส่วนสังขารนั้นเป็นที่รักก็คือรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ดีที่ที่เราชอบใจอ่ะสังขารเหล่านั้นชื่อว่าเป็นที่รักส่วนสิ่งที่เป็นที่เกลียดชังก็มี2อย่างนะสัตว์เป็นที่เกลียดชังอย่างหนึ่งสังขารเป็นที่เกลียดชังในอย่างหนึ่งส่วนสัตว์เป็นที่เกลียดชังเป็นชนัยก็คือสัตว์ในโลกนี้เป็นผู้ไม่ปรารถนาความเจริญปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาแต่ความไม่ผาสุก ปรารถนาความไม่ปลอดโปร่งจากโยคะปรารถนาจะปร่งเสียจากชีวิตแก่บุคคลนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นที่เกลียดชังส่วนสังขารเป็นที่เกลียดชังเนี่ยเป็นไงนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะอันไม่น่าเป็นที่ชอบใจเนี่ย ส, สังขารเหล่านั้นอะชื่อว่าเป็นที่เกลียดชังคําว่าโดยแท้ก็คือเป็นคํากล่าวโดยส่วนเดียวเป็นคําพูดโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีความเคลือบแคล้งไม่เป็นสองส่วน เป็นคํากล่าวไม่เป็นสองอย่างไม่ได้พูดรวมกันเป็นคํากล่าวไม่ผิดเพราะฉะนั้นคําว่าโดยแท้เป็นคํากําหนดแน่นอนสรุปว่าเมื่อภิกษุปราบก็เพึงปราบที่รักและที่เกลียดชังในโลกคําว่าปราบก็ปราบพ่อปราบแม่ไปทํำยังไงก็ตัดฉันทราคะในสิ่งที่อันเป็นที่รัก น, นะนะตัดโทสะในสิ่งอันเป็นที่ชัง น, นะนะหมายถึงกิเลส ท, ที่ที่อยู่ในใจนี่นแหละปราบราฆะในสิ่งที่ชอบใจเสีย ปราบโทสะในสิ่งอันเป็นที่ชังซะหวั ง, งนันเพราะฉะนั้นภิสูุเมื่อปราบก็พึงปราบพึงย่ำยีสิ่งอันเป็นที่รักและที่เกลียดชังที่ยินดียินร้ายที่สุขทุกโสมนัสโทมนัสอิทธารมอนิทธาร ม, ารมก็หมายถึงตัดอภิชากับตัดโทมนัสในตัดอภิชาในสิ่งอันเป็นที่รักตัดโทมนัสในสิ่งอันเป็นที่ชังสรุปคาถาว่าพิสูจไม่พึงลุอำนาจความโกรธและความดูหมิ่น พึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดำรงอยู่อันหนึง่งภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักนะนะคือปราบอภิชาเนี่ยนะที่เกลียดชังโดยแท้เรียกว่าตัดโลภตัดโกรธตัดหลงให้หมดเลยนะภิกษุทำปัญญาไว้เบื้องหน้ามีปีติงามพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัด พึงปราบธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพัน4ี่อย่างสอนให้ละอย่างเร็วของั้นคำว่าปัญญาเนี่ยนะก็ว่าภิกษุทำปัญญาไว้เบื้องหน้าปัญญาก็คือความรู้ทั่วความรู้ชัดความเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นทั่วเลือกเฟ้นธรรมนะนะโมหะธรรม ะ, รรมะวิจยะสัมมาทิฏฐิพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะ ทำปัญญาไว้เบื้องหน้าความว่าภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ทำปัญญาไว้เบื้องหน้าประพฤต์เป็นผู้มีปัญญาเป็นธงชัยมีปัญญาเป็นธงยอดมีปัญญาเป็นใหญ่มีความเลือกเฟ้นมากมีความเลือกเฟ้นทั่วมากมีปัญญาเครื่องเห็นมากมีความเสาะหามากอยู่ด้วยอยู่ด้วยความเป็นผู้ทําให้แจ่มแจ้งประพฤติด้วยปัญญามีปัญญามากตระหนักอยู่ด้วยปัญญา ไปในปัญญาโอนไปในปัญญาโน้มไปในปัญญาน้อมไปในปัญญามีปัญญานั่นเป็นใหญ่แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ชื่อว่าทําปัญญาไว้ในเบื้องหน้าหรือว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเนี่ยนะเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่านอนกายของเธอตั้งอยู่อย่างใดอย่างใดภิกษุนั้นก็รู้กายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้ชื่อว่าทําปัญญาไว้เบื้องหน้าเนี่ยนะ ก็มีปัญญาพิจารณาอิริยาบทรอบรู้ไปหมดนะนะอันหนึ่งพิสูจนเป็นผู้ทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทําัทำความรู้สึกตัวคือทําสัมปชัญญะสี่เนี่ยนะในการก้าวไปถอยกลับทําสัมปชัญญะสีในการเลการเหลียวทําสัมปชัญญะสีในการคูเข้าในการเหยียดออกทําสัมปชัญญะสี่ในการครองสังขาติบาทและจีวร ทำสัมปชัญญาสีในการชันดื่มเคี้ยวลิ้มทำสัมปชัญญาสีในการทายอุจาระปัสสาวะทำสัมปชัญญาสีในการยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ชื่อว่าทำปัญญาไว้เบื้องหน้าส่วนคําว่ามีปีติงามก็คือปีติปราโมที่เกิดด้วยสามารถแห่งพุทธานุสติเนี่ยนะปีตินี่งามมากนะคุณมุนชูเจริญพุทธคุณแนละปีติปลืม้มเนี่ยปีตินี่งามอันนั้นทำไว้อั้ดี เพราะฉะนั้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจากรานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณะนุสติกายคตาสติอุปสมานุสตินี้เรียกว่าปีติงามเพราะฉะนั้นให้ทําปัญญาอย่างนี้ไว้เบื้องหน้าและมีปีติงามนะให้หนักเข้าไปในปัญญาเข้าไว้เจริญปัญญาในอิริยาบถสี่ในสัมปชัญญะทั้งเจหมวดเนี่ยนะแล้วก็ให้ปีติงามอยู่ด้วยการเจริญอนุสติทั้งหลาย คำว่าพึงข่มอันตรายอันตรายก็มี2อย่างนะคือข่มอันตรายที่ปรากฏกับอันตรายที่ปกปิดคำว่าข่มอันตรายก็คือพึงข่มปราบครอบงำกำจัดย่ำยีซึ่งอันตรายเหล่านั้นคำว่าความไม่ยินดีเนี่ยนะก็คือพึงปราบความไม่ยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดไม่ยินดีนี่มาจากบาลีว่าอารติคือไม่ยินดีจะเจริญบุญนะนะความไม่ยินดีความไม่ชอบใจความไม่ยินดียิ่งความไม่ยินดีเฉพาะความเบื่อความระอา เพียงคำว่าในที่นอนอันสงัดคําว่าเพึงปราบข่มครอบงํากําจัดย่ายีซึ่งความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือในธรรมะทั้งหลายอันเป็นอธิกุศลอื่นๆ น, นั่ น, นก็คือกําจัดไอ้กิเลส ท, ที่มันทําให้ไม่ยินดีในการเจริญกุศลกําจัดกิเลส ท, ที่มันไม่ชอบให้อยู่ในที่เงียบเงียบอ่ะกำลักกิเลสตัวนั้นซะนะเพราะตัวนั้นร้ายมากมันขัดขวางกุศลขัดขวางคุณงามความดี ขัดขวางคุณธรรมชั้นสูงพึงคำว่าพึงปราบธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพันสี่อย่างก็คือพึงปราบข่มครอบงํากําจัดย่ํายีซึ่งเหตุแห่งความรำพันสี่อย่างอันนั้นสรุปคาถาที่กล่าวไปก็ว่าพึงทําปัญญาไว้ในเบื้องหน้านะให้นักเข้าไปในปัญญาเข้าไว้โอนเอ็นนักเอาปัญญานาหน้าหมดอนะทั้งในอิริยาบถสสัมปชัญญะเ็เนี่ยนะ มีสติปีติงามขมอันตรายทั้งปกปิดเปิดเผยแล้วก็ปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดแล้วก็พึงปราบธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความรำพันสีย่ยะาคาถาต่อไปว่าเราจากชั้นอะไรเราจากชั้นที่ไหนวันนี้เรานอนลำบากนาะพรุ่งนี้เราจะนอนที่ไหนภิกษุผู้เป็นเสขะพึงบำบัดเสียซึ่งวิตกเหล่านี้อันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพัน ที่บอกว่าความรำพันสีอย่างนั้นหนึ่งเราจะชั้นอะไรเราจะชั้นที่ไหนเราจะนอนลาบากเออวันนี้เรานอนลำบากเนาะพุ่งนี้เราจะนอนที่ไหนอันนี้เรียกว่ากิเลสสีอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความรำพันสีอย่างพึงเป็นผู้ไม่มีความกังวลเที่ยวไปเพราะฉะนั้นไอ้วิตกที่ไปคิดรำพันแบบนั้นให้กำจัดซะให้บำบัดเสียวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพันเป็นผู้ไม่มีกังวลเที่ยวไป คำว่าเราจากชั้นอะไรก็คือจากชั้นชั้นอะไรชั้นข้าวสุกขนมสดขนมแห้งชั้นปลาหรือชั้นเนื้อนะชั้นที่ไหนว่าจะชั้นที่ไหนชั้นในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือชั้นบ้านใครอย่างนั้นนะวันนี้เราวันนี้เรานอนลําบากเนอพรุ่งนี้เราจะนอนที่ไหนก็คือวันนี้เรานอนลําบากคือนอนบนแผ่นกระดานนอนบนเสือบนท่อนหนังบนเครื่องลาดโดยญ้าเครื่องลาดด้วยใบไม้เครื่องลาดบนฟาง คืนพรุ่งนี้เราจะนอนสบายที่ไหนที่เตียงต่างฟูกมอนที่วิหารเรือนมีหลังคาแถบเดียวที่ปราสาทที่เรือนมีหลังคาโลนหรือที่ทำนอนที่ไหนเนะพรุ่งนี้เหมือนกั น, นะคำว่าซึ่งวิตกเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความรำพันก็คือวิตกอันปฏิสังยุต์ด้วยบินทบาทสองเนี่ยนะว่าจะฉันอะไรจะชันที่ไหน ก็วิตกด้วยเศนาสนะสองบอกว่าวันนี้เรานอนลำบากเนาะพรุ่งนี้จะไปนอนไหนเนี่ยนะีนอนไหนดีเนี่ยนะีนอนนอนทีมเคยนอนนั่นแหละเหมือนกันคำว่าพระเศคาเนี่ยนะพระเศคารก็คือผู้ที่ศึกษาศึกษา3 พันเพราะเหรายจึงเรียกว่าเสขะเพราะศึกษาจึงชื่อว่าเสขะถามว่าศึกษาอะไรก็ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาศิกขะเนี่ยนะที่ศีลสิขาก็ปาติโมกขสังวรอธิศีลสิขะอธิศีลสิขาคือปาติโมกสังวรอธิจิตสิกขาก็คือฌานเสียที่ปัญญาศิขาก็คือการพิจารณาความเกิดความดับการพิจารณาอริยสัจเนี่ยเรียกว่าอธิปัญญาสิกขา พันเมื่อนึกถึงสิกขาสก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจรารณาเมื่อตั้งจิตเมื่ออธิษฐานจิตก็เรียกว่าสิกขาหรือว่าการน้อมใจไปด้วยศรัทธาการประคองความเพียรการเข้าไปตั้งสติการตั้งจิตไว้การรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าสิกขานะการเจรนะิญอินสีห้านั่นเรียกว่าสิกขา การรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละทำที่ควรละทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเจริญทำที่ควรเจริญก็ชื่อว่าสิกขาเพราะฉะนั้นย่อมประพฤต์เ อ, อื้อเฟื้อประพฤต์เ อ, อื้อเฟื้อด้วยดีย่อมสมาทานศึกษาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเสกขะผู้ที่ตั้งใจประพฤติอย่างนี้เรียกว่าพระเสขะ เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เสขะศึกษาแม่อธิศีลสิกขาศึกษาแม่อธิจิตสิกขาแม่อธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นพึงบำบัดกําจัดละเวน้นสงบสละคืนระ ง, งับเสียภิกษุผู้เสขะเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจรารณาเมื่ออธิษฐานจิตน้อมใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติตั้งจิตรู้ชัดด้วยปัญญารู้ยิ่งกําหนดรู้ละ จะทำให้แจ้งเจริญเนี่ยนะก็ชื่อว่าสิกขาเนี่แหละเพราะฉะนั้นพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติด้วยดีสมาทานประพฤติซึ่งสิกขาเพราะฉะนั้นก็บําบัดบาปอากุศลเจริญไตรสิกขานี้ต่อไปเหมือนกันคำว่าพึงเป็นผู้ไม่มีกังวลเที่ยวไปความว่าภิกษุเป็นผู้มีความกังวลท่องเที่ยวไปอย่างไรก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความกังวล กังวลในสกุลบ้างกังวลในคณะกังวลในอาวาสบิณฑบาตเนาสนาสนักีฬานะปาปัจัยเภสัชบริการบางทีก็กังวลในตระกูลญาติบ้างตระกูลอุปทาคบ้างกังวลในหมู่ในคณะในอาวาสในปัจใจสี่นี่แหละเรียกว่าผู้กังวลเที่ยวไปส่วนภิกษุผู้ไม่มีความกังวลเที่ยวไปเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ ไม่เป็นผู้ประกอบด้วยความกังวลในสกุลในคณะอาวะจีวณบินฑบาตเซนาสนาักิีฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารเรียกว่าเป็นผู้ไม่กังวลเที่ยวไปสมดังภาษิตที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายไปมคตรัฐแควมคตเนี่ยนะไปโกศลรัฐคือแควมคมีมคตมีอยู่ภิกษุที่ไปมคตรัฐบางพวกเที่ยวไปต่างหมู่แต่วัดชีภูมิเป็นผู้ไม่มีกังวลอยู่ เที่ยวไปให้สําเร็จประโยชน์ความเที่ยวไปดีให้สําเร็จร อ, อยังประโยชน์ให้สําเร็จความเป็นผู้ไม่มีกังวลอยู่ให้สําเร็จประโยชน์ทุกเมือ่อการถามถึงประโยชน์เป็นกรรมของผู้ขยันนั่นเป็นความเสมอการแห่งความไม่กังวลคำว่าเที่ยวไปให้ประโยชน์สําเร็จเนี่ยนะเที่ยวไปดีให้สําเร็จประโยชน์สําเร็จนะประโยชน์ก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะ ประโยชน์ของผู้บําเพ็ญไตรสิกขานั่นแหละเพื่อประโยชน์แห่งพระนิพพานสรุปว่าพึงปราบไอวิตกที่ว่าเราจะฉันอะไรฉันที่ไหนวันนี้เรานอนลําบากเนอะพรุ่งนี้จะนอนที่ไหนวันบำบัดไอความคิดอันนั้นซะเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพันเพึงเป็นผู้ไม่มีความกังวลในสกุลเป็นต้นเนี่ยเที่ยวไป คำว่าภิกษุนั้นในธรรมวินัยเนี่ยได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการพึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษภิกษุนั้นสำรวมในปัจจัยเหล่านั้นเป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในบ้านแม่ถูกเข้าด่าว่าก็ไม่พวนกล่าวคำหยาบไม่พวนกล่าววาจาหยาบเนี่ยนะ คำว่าอาหารอาหารก็คือเป็นชื่อของข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อส่วนเครื่องนุ่งห่มก็คือพวกผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าเจือเจือไหมเนี่ยนะคำว่าได้อาหารและเครื่องนุ่งหม่มความว่าพิกษสูงนั้นได้จีโวลบินทบาทก็ต้องอาหารที่ได้มาก็ต้องไม่ใช่ได้มาด้วยการหลอกลวงไม่ใช่ด้วยการพูดเรียบเคียงไม่ได้ด้วยการบอกใบ้ด้วยการไม่ใช่กําจัดคุณเขา ไม่ใช่ด้วยการสแสวงหาลาบด้วยลาบไม่ใช่ด้วยการให้ฟืนให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ผลไม้เครื่องอาบน้ำหรือจุนเนี่ยนะจุนพวกดินเหนียวไม้สีฟันน้ำบ้วนปากหรือว่าไม่ใช่ด้วยคำพูดมุ่งให้เขารักตนหรือด้วยถ้อยคำเลี้ยวไหลเหมือนแกงถั่วหรือประจบเขาเป็นผู้นั่งบนตังตีสนิทเขาหรือว่าไม่ใช่ได้มาด้วยวิชาดูพื้นที่เดรชานวิชาอังคาวิชา วิชาทายลักษณะหมอดูทั้งหลายเนี่ยนะนักัตวิชาวิชาเป็นทูตรับใช้เดินสารเวชกรรมนวกรรมหรือว่าด้วยการให้ก้อนข้าวและก้อนข้าวตอบแทนไม่ใช่การให้การเพิ่มให้เพราะฉะนั้นได้รับได้เฉพาะโดยทาโดยส ม, รรม่าเสมอเพราะงั้นได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการเรียกว่าได้ได้ปัจจัย4ี่มาได้มาโดยสุดจริตยุติธรรมเนี่ยนะ